เราก็ได้อยู่ที่มหาเจดีย์เจเบศรากองนะแต่ตอนที่อยากจะถึงตอนตอนเย็นนะ <Yes. S 1> ได้ทำวัดเย็นนะที่มหาเจดีย์ตรงนี้นะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะบรรยากาศดีคนก็ได้มาถ่ายรูปพเราเยอะด้วย นชื่อเวนั้นะว่าเป็นส่วนหนึ่งของของการมาบูชานะเพราะพุทธธารมพระสงฆ์ไม่ทำเพื่อสแสดงหรือเพื่อโชว์ไทยแต่เราทำเพื่อเป็นสักการะ บ, บูชาเล้ก็เห็นเนาะมเป็นศาสนตสถานที่ มันมีชีวิตมีจิตวิญญาณไม่ใช่เป็นแค่ศาสนาสฐานที่มันประกอบด้วยอิด้วยปูหรือว่าด้วยทองแต่มันมีมีวัตถุั้ตถุแล้วก็มีทั้งวิญญาณมืนกับชีวิตเหมือนกับชีวิตเราอะถ้ามีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะร่างกายมันก็แข็งก็ซื่อถ้าไม่มีจิตใจมาครอบครองนะมันก็กลายเป็น วัตถุคือว่าเป็นเป็นคนเป็นสัตว์ที่ตายไปดัง น, นั้นสาสนตสถานก็ดีเช่มนมีจิตวิญญาณนะมีหัวใจซึ่งคนได้มาใช้ประโยชน์ก็เลยมันก็ครบสมบูรณ์นะ ค, คนเราที่มีทั้งาร่างกายแล้วก็จิตใจอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องมาฝึกนะมาฝึกในเรื่องของจิตใจนะทำอย่างไรนะวัตถุมันมันมีเยอะแล้วแหละนะ ประถุมีมากมายอยู่แล้วต่ทำายัางไรจิตใจถึงจะดีงามสวยงามได้เหมือนกับร่างกายของเราแหละนะมันก็มีมันก็มีพอใชนะ้มีได้ใช้มากอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรละ่ะถึงจะฝึกจิตใจให้มันสูงขึ้นไปทำให้จิตใจถึงเราจะพัฒนาขึ้นไปนะจะเกิดความสวยงามกระนั่งเกิดความสงบกระทั่งเกิดความเรียกว่าเกิดปัญญาเห็นความจริงนะ ถ้าเราดูดีๆนะขณะที่เราเ้าวนาเนาะมันก็จะมีจิตก็จะมีจิตที่เป็นจิตที่เป็นปกตินะจะเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็ว่าได้หรือว่าจิตที่บอยสุดก็ได้มันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วจิตที่ปกติจิตที่ไม่ฟุ้งจิตที่มันมีความสุขสุขแบบที่ว่าไม่เจือป น, นด้วยกิเลสไม่เจือปนด้วยการปรุงแต่งเมันมีอยู่แล้วถ้าเราสังเกตจิตตัวนี้แหละ มันจะเป็นจิตเดิมแท้ที่แน่นอนนะการปรุงแต่งมันเกิดขึ้นทีหลังแต่จริงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตมันก็ไม่ใช่จิตนะมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่พยายามจะเข้ามาครอบนะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ไม่สามารถทาอะไรได้เพราะว่าจิตเดิมแท้แล้วที่จริงมันไม่ได้เป็นอะไรสิ่งที่มาครอบทีเด็มเข้ามามันก็มาแค่แค่ชั่วคราวถ้าเรามีสติมีผู้รู้ที่คอยดู คอยดูเห็นอาการที่มันเปลี่ยนแปลงของจิตนะจะเห็นได้ว่าผู้ดูตันี้ไม่ได้เป็นอะไรนะมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตนี้นะเกิดขึ้นผ่านสมาแล้วก็ผ่านกอไปแต่แต่ตัวสติหรือตัวผู้ดูนี้มันก็ดูเฉยๆนะมันไม่ได้ให้ท่าว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบผู้ดูทำหน้าที่เพียงแค่ดูนะดูสิ่งที่ผ่านสมาแล้วก็ผ่านกาไปมีแต่ความหลงเท่านั้นนะ่แหละ หรือว่าการขาดสติท่านนั้นที่เราทําให้สภาวะผู้ดูมันหายไปกลายไปเป็นผู้หลงผู้คิดผู้ปรุมผู้แตกกลายเป็นผู้ชอบผู้ชักผู้สุขผู้ทุกข์อันนี้แหละถ้าเรามีสติจะเห็นว่าดวงตามันไม่ใช่อะไรเลยมันแค่ผ่านเข้ามาผ่านเข้าไป ไม่ใช่ไข่ทั้งนั้นนะไม่ใช่ไข่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่เป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นถ้ามีสติแล้วไม่ไปยึดไม่ไปถืออะไรต่างๆนั้นไวมันเป็นตัวเป็นตนตของเรามันก็ผ่านมาแล้วก็ผานไปเนะี่ยสติตัวนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเป็นปกติเป็นความตั้งมั่นเป็นความ เรียกว่าไม่ทุกข์ับอะไรทั้งนั้นท่านจะติเห็เนตัวนี้แล้วก็อะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะที่จริงมันหลงนะที่จริงเราหลายคนมักจะพูดว่าก็มีสิ่งมากระทบนะกระทบทางกายฐานะต้องหกตากระทบลูกหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบกับสิ่งภายนอก หรือว่าใจสุดขึ้นมาข้างไหนเองที่จริงพิุ่ษตากมันจะบ้าไปมันกระทบหรือเปล่ามันก็กระทบแต่ความทุกข์ความสุขมันเกิดจากก็จิตเรานี่แหละไปกระทบกับสิภายนอกจิตเม่นส่งออกไปกระทบเองนะไปยึดเองนะมันกระทบมันก็กระทบเฉยเฉยถ้าเราไม่ไปกระทบกับมันตอ่อคล้ายเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าปรบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังฉนะะนั้นพยัญนะหรือว่าสิ่งกระทบภายนอกนะทางทบารทั้งหก ถ้ามันขาดก็มาแล้วนะไม่มีจิตดวงนี้ก็ไปกระทบทดลองไม่มีอะไรนะ่ะทั้นนั้นพอมันเกิดความฟุ้งเกิดการปุงแต่งก็เพราะว่าจิตของเราเนี่ยแดดออกส่งออกไปกระทบนะตาเห็นรูปแล้วมันไม่เฉยนะเพราะว่าใจไปปรุงต่อนะไปปรุงชอบปรุงชังปรุงสถานปรุแต่งต่อเ น, นี่ยคือการไปกระทบทั้งนั้นการรักษาจิตให้เป็นปกติไม่ใช่ว่า เราจะต้องไม่กระทบกับสิ่งภายนอกนะกระทบได้นะตาดูอะไรไดนะ้หูได้ยินเสียงอะไรได้นะใจก็คิดนึกคุ้งแต่งอะไรได้นะแต่ที่สำคัญใจที่เป็นปกติแล้วไม่ไปกระเกินกับสิ่งต่างๆนะการเห็นก็เห็นก็เห็นเพื่อใช้ประโยชน์ฟังก็ฟังเพื่อใช้ประโยชน์หรือว่าใจนึกคิดก็นกคิดเพื่อใช้ประโยชน์นะ แต่ไม่เป็นการกระทบเพื่อให้เกิดการกระเทือนดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือเรารู้ทันสิ่งที่มากระทบแล้วไม่ส่งจิตออกไปกระทบกับมันต่อนไม่ไปปุงกับมันต่ออันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่ถ้ามันหลงไปแล้วเปิดไปแล้วอะก็ไม่เป็นไรแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนออกมาขอออกมา ขอออกมาไม่ไปกระทบกับมันแค่นี้ก็เป็นหนักที่ที่สําคัญในการภาวนาเพระนั้นจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะอยู่ในพุทธสถานศาสนาสถา น, าานหรือไปอยู่ตามตลาดนะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็สามารถฝึกแบบนี้ได้ทั้งหมดเห็นสิ่งต่างๆปจะสิดนิระทบไม่ว่าจะเป็นความถูกต้องความดีงามความสวยงาม เป็นไหนพุทธพุทธส ถ, า, ถ า, านอ่ามันมีศรัทธาถ้าไม่มีปัญญาแนละ้วก็เป็นศรัทธาแค่แค่หลงม ง, ง, ง, งายหรือว่าศรัทธาเพราะว่าเชื่อตามเขาไปแต่ถ้าเราศรัทธากั่มีปัญญาก็จะเป็นผู้ที่ว่าไม่งม ง, ง, ง, งายนะจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียกว่ามีศรัทธาตั้งมั่นใน พลาสตนาไซได้นะจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถตั้งมั่นในพราสตนาพลาสตนาไได้อันนี้เป็นศรัทธาที่ที่เรียกว่ามันคงทนแน่นอนเพราะว่าอะไรก็มีปัญญาเข้าใจความจริงแล้วว่าอ๋อทิ่พึ่งที่แท้จริงของเราคืออะไรนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่อ่านะหรือว่าไม่ตายไปที่ไหนนะแต่ท่านก็สิงสถิจอยู่กับทุกหนทุกแห่งที่มีธรรมะอยู่นะตัวของเราเองสามารถเป็นพระสงฆ์ได้หรือเปล่า มันก็สามารถต่อตัวเองได้ว่าเป็นได้เนะี่ยเพราะว่าอะไร <_ d ata> เพราะาเราดูแล้วว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสั่สอนของพุทธเจ้าปฏิบฏตัติถูกกับความเป็นจริงของธรรมะตอนนั้นจิตก็เป็นพระสงฆ์แล้วนะจะไม่แยกจะเป็นพระหรือรูปแบบหรือเป็นแมช่ชีหรือว่าเป็นโยมจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถเข้าถึงความเป็นสงฆ์ได้เมื่อเราเข้าถึงความเป็นสงฆ์นั่นแหละก็คือเราเข้าถึงธรรมะเราเข้าถึงความเป็นพุทธ มันเป็นสภาวะที่เรียกว่ามันประกอบขึ้นพร้อมกันนั่นแหละนะพุทัะธรรมะสัสมมสคพะมันเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยกันนะถ้าเราสุดขัดในการดูดูใจให้มันชัดนะเห็นเลยว่าอ้อสิ่งที่เป็นปกติกมันเป็นแบบไหนคิดที่เป็นปกติกเป็นแบบไหนสภาวะผู้ดู ที่เห็นอาการต่างๆมันเปลี่ยนแปลงผ่านก็มาผ่านเข้าไปแต่ผู้ดูตัว น, นี้ไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรทั้งนั้ น, น<ม>เห็นแค่อาการที่มันผ่านมาผ่านไปผู้ดูตั้งมั่นดูอยู่เฉยๆไม่เข้าไปปุงต่ออันนั้นแหละอ้อแล้วก็เข้าเข้าถึงสภาวะพุทคะแล้วะเมื่อเราเข้าถึงสภาวะพุทธะดูไปบ่อยดูไปบ่อยจิตมันก็ยอมรับความจริงในสิ่งที่มันดูน ะ, ะ๋อมันเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นบ่อยอ๋อจิตก็เกิดปัญญาในการเข้าใจความจริง ปัญญาตอนนี้แหละจะช่วยให้เราไม่ทุกข์นะปัญญาที่จะทําให้ออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะว่ามันเห็นว่านะความทุกข์ที่แท้จริงก็ไปยึดไปถือเพราะว่าไปเข้าไปปรุงว่าเป็นเราเป็นเขานะแต่เมือม่อเมื่ปัญญาเห็นแล้วเห็นว่าตัวเราที่แท้จริงมันไม่มีนะมันมีแต่อาการนะที่มันผ่านเข้ามาผ่านก็ไปจะมีเราอยู่ที่ไหนมันไม่มีเราอยู่ในกายนี่เหรอแล้วก็เห็น กายไม่มีเราที่ตรงไหนนะแขนขาเนื้อหนังมังสาธาตุทั้งสี่มาประกอบกันนะมันก็เรียกชื่อตามสมมตินะแต่สวยวิมุตแล้วมันมีชื่อที่ไหนมันไม่มีนะมีแต่ชื่อที่สมมุติมาเรียกกันเท่านั้นแต่สภาวะ ท, ที่แท้จริงมีแต่ธาตุสี่พันหะ้านนี่รูปเป็นเช่นนั้นนามก็เป็นเช่นนั้นนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นสิ่งที่ ไม่เที่ยงนะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะเกิ ด, กดๆดับๆนะจาได้บ้างจําไม่ได้บ้างนะหรือว่วานะไม่แต่วิญญาณเองก็ดีนะรับรู้บ้างไม่รับรู้บ้างนะมันเปลี่ยนไปทั้งนั้นมันมีแต่รูปประทับและนามประทับที่มันประกอบกันนะเป็นธาตุสี่กันห้าทั้นั้นมันมีตัวเราที่ไหนไม่มีไม่ไมีนะถ้าเราเห็นตรง น, นี้เป็นใบอ้อมันก็เรียกว่า จิตมันก็เป็นปกตินะสภาวะตรง น, นี้แหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็เราถึงจะเข้าถึงสภาวะนะตรง น, นี้ที่แท้จริงเราก็ได้มาภาวานาที่นะที่มหาเจดีย์นะเจเบิดาคลองหรือเราไปภาวานาที่อื่นก็เป็นเหมือนกันนะคอยตามรู้ตามสภาวะของจิตใจให้ดีดนะดูอาการจิตใจเองให้ดีๆแล้วก็คอยรักษาจิตให้เป็นปกติ รักษาตัวรู้นะรักษาผูร้รู้ให้คอยดูแลจิตนะไม่เข้าไปหลงนะเย่าลืมผู้รู้นะคอยดูอยู่เฉยอาการภายนอกจะเป็นแบบไหนนะหัวเราะร้องไห้นะหรือว่าบางทีเสียงดังหรือบางทีสภาพนุ่มนวล น, นะหรือบางทีมีกิจยาภายนอกเป็นเช่นไรนะไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ขอให้รักษากิจยาในใจก็คือสภาวะปกติไว้นะ จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแตนะ่อยู่ในวัดอยู่ในเจดีย์อยู่ในพุทธสถานอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในตลาดที่ไหนอยู่ในรถอยู่ที่โรงแรมเราก็สามารถดูได้ก็เห็นสิ่งตา่างๆที่มันเกิดขึ้นดีซะอีกนะเห็นสิ่งตา่างๆมากระทบแล้วก็สังเกตดูจิตมันกระเทือนไหมอ่าถ้าจิตไม่กระเทือนนะโอเคใช้ได้นะแต่ถ้าจิตมันวนไหววนไหวไปก็สร้างสติขึ้นมาใหม่สร้างสติขึ้นมาใหม่ถ้าดูจิต ไม่ทั น, นดูจิตไม่ทันแล้วก็ไหลไปก็กลับมาดูกายเป็นการเพิ่มฐานความตั้งมั่นของสติให้มันมากขึ้ น, นดูอะไรก็ได้นี่แหละอยไปดูนอกตัวพยายามคล้ายๆเหมือนกระจกะเห็นสิ่งภายนอกแล้วก็จะกระจกมันก็สะท้อนเห็นตัวตัวเราเองตากระทบรูกกลับมาดูกลับมาดูาดใจหูกระทบเสียงกลับมาดูใจหรือใจคิดนึกปรุงแต่งก็งให้มันผ่านไปอย่าไปเอาถูกเอาผิด เอาชอบเอาชับนะเอาอดีตเอาอนาคตม า, ามาปรุงแต่งไว้เอาปัจจุบันนี้ก็พออันไหนมันผิดอันไหนมันพลาดอันไหนมันหลงก็ผ่านไปไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรนะมีแต่เราไปคว้านะคว้าอดีตมาทุกนะคว้าอนาคตมาทุบมาสุกเลยตา่างไม่มีนะมีแต่ดูที่ปัจจุบันแค่นั้นก็พอนะแต่ปัจจุบันอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ขอให้สภาวะดูนะ ดูถอนออกมาเห็นอากาศที่ปัจจุบันจะเข้าไปจม ส, สภาวะสุขหรือสภาวะทุกข์ที่มันผ่านเข้ามาในปัจจุบันแค่นั้นก็พอละอันนี้เป็นหลักสำคัญในการภา ว, วนามานะกเนาะก็ฝากไว้นะเพราะว่าพวกเราทุกคนก็คงเป็นผู้ภา ว, วนากันอยู่แล้วแหละนะก็เป็นผู้ที่คงเข้าใจหลักธรรมะกันกันดีอยู่แล้วก็เหลือแต่ว่าต้อง เพิ่มความเพียรเพิ่มความที่ให้มันตอนเนื่องอย่ให้มันขาดตอนอย่าม่นขาดช่วงเนา ะ, น, ะนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เราได้มานะมาในพุทธสถานต่างๆนแล้วก็ได้สัมผัสกับพุทนะพุทธสถานได้สัมผัสกับธรรมาชาติที่เรียกว่าบริสุทอยู่แล้วก็ก็ได้สัมผัสกับความเป็นปกติในจิตใจของเราด้วยต่นะอไปค่ะ